พวกเรารู้จักซูชิัหยซูชินี่เป็นอาหารญี่ปุ่นเรียกว่าประจำชาติกัได้นะมันก็เป็นข้าวแล้วก็เหนียวหน่อยๆเกาะกันแล้วก็มีปลาดิบบ้างกุ้งบ้างเมื่อเร็วนี้ได้ดูสารคดีเกี่ยวกับพ่อครัว ที่ถือว่าเป็นสุดยอดของการทำซูชิเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ร้านของเขาวนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันเป็นร้านเล็กๆไม่ใช่ร้านหรูเวลาเรานึกถึงอาหารที่มันเป็นเลิศสุดยอดในโลกนี้ก็ จ, จะนึกถึงร้านหรูๆใหญ่ๆเช่นพัตคาร แต่เขาเนี้ยเป็นร้านเล็กๆรับคนได้แค่สิบคนแล้วก็ไม่ใช่นั่งโต้นะไม่ใช่นั่งโต๊ะแบบที่เราเห็นหรือที่รู้จักแต่ว่าต้องนั่งบนคล้ายๆเหมือนกับบาร์บาร์เล่านะก็นั่ง อ, อยู่รอบๆบาร์เล่านะนะั้นน่ยแล้วก็พ่อครัวก็ทําหน้าที่เสิร์ฟเหมือนกับบาร์เทนเดอร์อันนี้ก็เป็นลักษณะของร้านอาหารญี่ปุ่น จำนวนมากนะโดยเพราะในเมืองหลวงอย่างโตกเกียวและที่สำคัญคือเป็นร้านซึ่งมันอยู่อยูอย่อยู่ใต้ดินนะอยู่ตรงสถานีรถไฟในโตกเกียวย่านกินซ่ามันไม่ใช่เป็นร้านหลูอะไรเลยนะจะกินก็ต้องลงไปนะร้านใต้ดินแต่ก็ทำสะอาดนะญี่ปุ่นนี่ที่ไหนที่ไหนก็สะอาดทั้งนั้นนะ ที่น่าสนใจเพราะว่าพ่อครัวคนนี้อายุ85แล้วและแกก็ทํามา60ปีแล้วและชีวิตแกนี่วันวันนึไม่มีอะไรนะก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดร้านสมัยก่อนนี่แกก็ต้องไปหาไปหาซื้อปลาด้วยตัวเองที่ย่านขายปลาที่มีชื่อมากแต่ว่าตอนหลังอายุมากแล้วก็ไม่ไม่ไปแล้วให้ลูกชายไปแต่ตัวแกก็ คุมการปรุงอาหารปรุงตั้งแต่การหุงข้าวการการถาปลาการแล่นแล่ปลาแล้วก็เสร็จแล้วนี่แกก็จะต้องทำหน้าที่เป็นคนที่บริการลูกค้าเองเพราะว่าการที่จะเสิร์ฟ l ูกค้านี่มันต้องใช้ฝีมือนะไม่เหมือนกับเวลาเราทำทำแกงพอเราทำเราทาแกงเสร็จเราก็ให้ใครไปเสิร์ฟก็ได้ ไม่ใช่หน้าที่ของพ่อครัวแต่พ่อครัวคนนี้แกต้องมาบริการลูกค้าเองเพราะว่าฝีมือต้องใช้ฝีมือในการที่จะประกอบซูชิซึ่งนี่จริงก็ไม่มีอะไรนะก็มีสำหรับสูตรนี้ก็มีแค่ข้าวเหนียวครึ่งครึ่งกำ ม, มันก็ไม่ใช่ข้าวเหนียวนะแต่มันเหนียวนะเขาก็ต้องบีบให้มันแน่นกาะตัวแล้วก็เอาปลาแค่แผ่นบางๆปลาดิบนะมาวาง ภาพแล้วก็เติมด้วยวาซาบินะแค่นี้แหละแต่ว่าคนที่จะทำให้มันได้ดีเนี่ยต้องมีฝีมือในการในการกดในการแร่เนื้อแน่ปลาแล้วก็มาวางก็<ม>ทำอย่างงี้มานะเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วทุกวันก็แบบนี้นะของเขานี่แพงนะ ประมาณสูตรหนึ่งคอสหนึ่งก็ประมาณสักสิบห้าชิ้นยี่สิชิ้นก็ประมาณหมื่นบาทหมื่นบาทนะก็สามหมื่นเยนถ้าคนต้องจองกันเป็นเดือนก็มีแต่ซูชิทนไม่มีอย่างอื่นนะแต่ว่าเป็นร้านที่ติดอันดับโลกนะเขาได้รางวัลอันดับโลกนะเป็นร้านแรกที่ทําซูชิแล้วก็ได้รางวัลอย่างนี้ คนที่มาดูร้านก็แปลกใจโอ้โหร้านอย่างนี้มันได้รางวัลระดับโลกเฉยๆนะแต่ว่าใครๆก็มากันอย่างที่บอกเวลามาสิ่งที่น่าสนใจคือว่าทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำอะไรนะวันๆนหนึ่งเขาก็มีแค่นี้นะแหละนะแล้ววันหนึ่งกว่าเขาทำซูชิเสิร์ฟลูกค้าก็ประมาณอาจจะสักสี่ห้าร้อยชิ้นอาจจะเป็นพันชิ้นก็ได้แต่ตลองก็มีลูกมือมาช่วยด้วย จนค่ำกลับไปนอนตื่นเช้าขึ้นมาก็มาเปิดร้านแล้วก็ทำอย่างที่ว่านี่คือกิจวัตรของเขาแล้วก็ทำยี่มาสามสิบสี่สิบปีแล้วเขาไม่มีวันหยุดนะวันหยุดวันเคือวันหยุดประจาชาติแล้วที่เหลือเขาก็มาทำถามว่าเขาไม่เที่ยวเหรอเขาบอกว่าเที่ยวก็ไม่มีความสุขมาทำมาเปิดร้านแล้วก็ทำซูชี่นี่ มีความสุขกว่าชีวิตเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกิจวัตรที่ค่อนข้างตายตัวนะจะ่เขามีความสุขเขาไม่เบื่อเลยมันทําให้เราได้เข้าใจที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่าสุขแท้มีอยู่แต่ในงานนะเพราะว่าความสุ ข, ขเข ค, คือการที่เขาได้ทํางานทั้งๆ ท, ที่มันก็ดูจําเจแต่ว่า เขาทำด้วยความรักและทำด้วยความใส่ใจนะในทุกขั้นตอนทางั้นที่มันก็ทำอย่างนี้มาทุกวันจะเรียกว่าเป็นหมื่นวันแล้วนะสามสิบปีหมื่นวันก็สาสิปีก็ทำอย่างนี้แต่เขาไม่ได้ทาแบบจำเจก็ทาด้วยความใส่ใจแล้วเขาก็พยายามคิดนะคิดค้นว่าจะทำให้มันดีกว่านี้ได้อย่างไรไม่เคยหยุด เพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นเลิศนะคนก็มาที่ร้านเขาทั้งที่ไอซูชินี่ที่เขาทำมันก็ง่ายมากก็มีแค่สามอย่างข้าวปลาแล้วก็น้ำจิ้มวาสบิเทียบกับเทียบกับอาหารอย่างบ้านเราเช่นแกงเนี่ยโอ้โหหรือต้มยำกุ้งเนี่ยเรียกว่าเครื่องคราวนี่เยอะแยะไปหมดนะ ของเข้าดูง่ายๆนะแต่ว่าเนื่องจากเขาทำด้วยความใส่ใจแล้วก็ตั้งใจตั้งแต่การการหาวัตถุดิบการหุงข้าวนี่เขาใส่ใจมากทำงางถึงจะให้มันมีอุณหภูมิที่คงที่ต่อเนื่องแล้วคนเหล่านี้นี่สุดยอดนะเพียงแค่ดูควันดูไอก็รู้แล้วว่าข้าวเนี่ยถึงที่อยางนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคนที่มีความสุขกับการทำงาน ทน้นาที่งานนี้ก็ดูเหมือนจำเจซ้ำซากเป็นกิจวัตรนะแต่ว่าเขามีความสุขและเขาไม่เครียดเลยนะแล้วเขาเป็นคนที่เรียกว่าถ่อมตัวมากนะขนาดสุดยอดอย่างนี้ก็เขายังบอกว่าเนี่ยจมูกเขากับลิ้งเขายังไม่ดีเท่าไหร่ไม่เหมือนกับฝรั่งคนหนึ่งนะซึ่งก็ได้รางวัลระดับโลกเวทีเดียวกับเขาเขาก็บอกว่าคนนั้นนี่จมูกดี แล้วก็ลิ้นรับรสก็ดีมากคือการทำครัวที่เป็นเชฟสุดยอดนี่มันต้องมีจมูกก็ต้องดีด้วยนะจมูกดีแล้วก็ลิ้นดีพอที่จะสังเกตความแตกต่างเพียงแม่น้อยนิดของอาหารจนะะแปลกที่ว่าอาหาร ท, ท, ทั้งที่มันมีแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังมันนี่มันต้องอาศัยความเป็นเลิศในหลายเรื่อง ลูกมือเขาเนี่ยนะต้องมาฝึกกับเขาสิปีนะสิปีนี่ก็เรียกว่าเพียงแค่รูปเบสิกนะ ท, ทั้งที่อาหารดูมันง่ายง่ายแค่สามชิ้นเท่านั้นแหละแต่ว่าจะต้องมีความจัดเจนมากตั้งแต่เรื่องการจับจับมีดนะจับมีดอย่างไรเลือกเรื่อง ก, การเลือกข้าวเลือกปลาข้าวที่เขาเลือกมาเนี่ยมันสุดยอดมาก โรงแรมโรงแรมชั้นนำเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้ข้าวแบบข้าวเพราะว่าคนที่ขายข้าวนี้ก็ต้องเรียกว่ารู้จักกันไว้ใจกันแล้วก็เชื่อใจกันเขาไม่คนขายข้าวก็ไม่ขายข้าวให้กับโรงแรมก็ขายข้าวแต่คนนี้แหละเพราะว่าเขาต้องการได้ผลงานที่เป็นเลิศนะเงินทองไม่สำคัญแต่ว่าขอให้มันเป็นเลิศปลาก็เหมือนกัน ลูกมือนี่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าต้องเรียนนะอย่างน้อยสิบปีสิบปีแล้วนี่ก็ยังต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆนะอาจจะเรียกว่าพอจะเป็นสุดพอจะเป็นพ่อครัวเองได้ก็อาจจะสักยี่สิบสามสิบปีอะไรที่ดูเหมือนง่ายเนี่ยแต่ที่จริงมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เรานึกนะมันต้องอาศัยความจัดเจนมากทำไมนึกถึงการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ บางคนแค่มายกมือสร้างจังหวะเนี่ยสามสี่วันก็เบื่อแล้วนะมันนึกถึงพ่อโครนิชิจิโร่โอ้เขา้าเขาทำมาเป็นเป็นหมื่นหมื่นวันละซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแต่เขาไม่มีความเบื่อเลยนะแปดสิบห้าแล้วก็ยังทำอยู่เพราะเขามีความสุขสิ่งที่ทำให้คนเราทำได้อย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็คือฉันทะ ฉันถ้าคือความพอใจที่ได้ทำความใสความรักที่ได้ทำาพอได้ทำแล้วก็มันก็มีความสุขมาดูชีวิตของเขาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากนักปฏิบัติธรรมนะคือว่าเขาเขาสามารถที่จะอยู่กับการทำงานของเขาด้วยความใส่ใจแล้วก็ถ้านักปฏิบัติธรรมนี่สามารถจะรักษาจิตใจ ได้แบบครานี้เรียกว่าพัฒนาการทางกิ่นนี่ก็คงจะลุดหน้าไปไกลมากแล้วก็ลองคิดดูนะว่าขนาดพวกที่ไปลูกมือเนี่ยทุ่มเทสิบปีนะเพื่อเพียงเพื่อที่จะแล่ปลาให้ได้ให้ได้ดีเพียงเพื่อที่จะต้มข้าวให้ได้อร่อยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะแต่ว่าเขายอมที่จะเสียเวลาเป็นสิบปีซึ่งเทียบกับการซึ่งเทียบกับ ผลของการปฏิบัติธรรมแล้วนี่่าการปฏิบัติธรรมนี่มันให้ผลที่วิเศษกว่านั้นเยอะนะเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมได้ดีนี่นะใจก็เป็นสุขใจก็เป็นปกติไม่กระเพื่อมทํางานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขแต่ว่าหลายคนนี่อย่าว่าแต่ปีหนึ่งเลยนะบางทีเดือนหนึ่งก็ไม่เอาละนแต่ว่าลูกมือเขานี่ทุ่มเทมากนะสิบปี เป็นอย่างน้อยนะเพียงเพื่อว่าจะได้หุงหาอาหารให้อร่อยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตคือไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้กินก็ไม่ตายอาหารพวกนี้มันก็เป็นเพียงแค่เติมสีสันให้กับชีวิตซึ่งต่างจากเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้มันถ้าไม่ทาหรือว่าไม่ปฏิบัติดีถึงบางทีถึงตายนะอย่างเช่นขับรถประมาทไม่มีสติก็รถก็ชนเสา ตายหรือว่ากิจการล้มละลายแฟนทิ้งเครียดมากทำยังไงค่าตัวตายโดดตึกตายอันนี้เรียกว่าเพราะว่าจิตใจไม่มั่นคงไม่หนักแน่นก็เพราะขาดการปฏิบัติธรรมนั่นเองให้การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายนะบางคนเป็นมะเร็งทนไม่ไหวปวดมากนะบางคนเป็นเอด ผัวก็เป็นเมียก็เป็นกินยาฆ่าตัวตายดีกว่ากอดจันตายตั้งที่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นเองแค่ตรวจเพราะว่าเลือดเป็นบวกก็ตัดไปซะและ้วอันนี้เพราะว่าขาดการรักษาใจด้วยธรรมะสิ่งที่เราปฏิบัตินี่มุ่งมุ่งปฏิบัตินี่มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะแต่ว่าคนตรงนั้นไม่น้อยเนียเน่ยไม่ยอมทุ่มเท ในขณะที่คนอีกจำนวนไม่น้อยนี่เพียงแค่จะทำปลาให้อร่อยนะทำซูชิให้อร่อยนี่เขายอมทุ่มเทยี่สิปีส0สิปีแต่ทำไมก็ทำอย่างนั้นได้เพราะเขามีใจรักนะใจรักพอมีทอทำด้วยใจรักก็มีความสุขเียนะเราเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติทำให้ได้ผลต้องมีใจรักคือฉันทะ พามีฉันทาวิริยะมันมาความเพียรจิตตาคือความจดจอ่อความใส่ใจก็จะมีแล้วก็ตามด้วยวิมังสาวิมังสาคือความใคร่ควรวญเพื่อที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างกิโลนี่เขาแปดสิบห้าแล้วเขาก็ยังหาช่องทางที่จะปรับปรุงให้มันดีให้มันเลิศนะตนั้นที่เขาก็มีความสุขเขาก็มีความพอใจกับสิ่งที่เขาทาแล้วแต่ว่าเขาก็ ไม่ยอมนะไม่ไม่ไม่นิ่งดูได้คนบางคนเนี่ยพอฝีมือพอผลงานเป็นที่รู้จักแล้วก็เบื่อแล้วฝีมือก็เริ่มหย่อนยานแต่ว่านักชิมวอเนี่ยสามสิสสิบปีที่ผ่านมาฝีมือเขาไม่ตกเลยคงที่คงเส้นคงคงวามากแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมด้ว ย, ยดูแล้วนี่มันก็ได้ได้บทได้แง่คิดสำหรับนักปฏิบัติธรรม่าโอขนาดเข้านี่ ทำเรื่องพื้นๆนั่นนะเรื่องแค่ปัจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารเนี่ยเขาก็ยังทําเต็มที่และสิ่งที่มันเป็นมีความสําคัญยิ่งกว่าอาหารเป็นอริยทรัพย์นี่ทําไมเราจะไม่ทุ่มเทขนาดนั้นและมันก็เชื่อเห็นว่าสิ่งที่ดูง่ายๆนะอาหารที่ดูง่ายๆนะมีแค่สามชิ้นนี่โอ้แต่มันต้องอาศัยความสามารถที่สุดยอดมากแม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุงข้าวการแร่เนื้อการหั่นนะ ไอ้ของง่ายๆอย่าไปอย่าไปดูถูกนะมันก็มือการปฏิบัติเจริญสติเนี่ยดูง่ายๆนะไม่มีพิธีรีตองมากยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมบางคนมองเห็นโอ้มันมันง่ายไปมันน่าจะมีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่า น, นั้นพอเห็นว่าอะไรที่ง่ายก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรนะแต่ที่จริงนี่ไอ้ความง่ายๆแบบนี้ต้องอาศัยการวางจิตที่ ท, ที่ที่มีทักษะมากแล้วก็อานิสงมันก็ มากมายมหาศาลไม่เนจะไปดูถูกสิ่งที่ดูง่ายๆนะเพราะว่ามันผลอนิสง์ของมันมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะมันมีมากกว่า น, นั้นแล้วก็มีคุณประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็เตรียมรับพร